พระพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขออากาศของพระกรมครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็เพื่อสรรมิทุกท่านจะเดินพรายรโยมทุกคนนะก็ดีนะพวกเราอาศัยช่วงวันหยุดนะช่วงเทศกาลสงการมาทำบุญทำทานมาปฏิบททัตนะิธรรมเป็นกิจที่พวกเราเพึงจะทำเนาะในการได้ มีชีวิตนะแต่การใช้ชีวิตนะเพราะการมีชีวิตอยู่ไม่เป็นของที่ประเสริฐแล้วเป็นสิ่งโชคดีของเราแล้วแต่การจะมีชีวิตที่ดีงามต้องเป็นชีวิตที่ประกอบด้วยธรรมนะนะการมีชีวิตที่ดีงามไม่ใช่การที่เรามีชื่อเสียงกิติยศมีทรัพย์สินเงินทองมีคนนับหน้าถือตามากมายอันนั้นเป็นชีวิตที่ดีงามแค่เพียงภายนอกแค่เพียงทางโลกเท่านั้น แต่ชีวิตที่ดีงามพึงที่จะประกอบด้วยธรรมะจิตใจของเรามีธรรมะเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตขนาดไหนอันนี้ถึงจะเป็นชีวิตที่ดีงามความโลภความโกรธความหลงเราสามารถรู้เท่าทันแล้วก็บริหารจัดการหรือว่าลดละเลิกมันได้ขนาดไหนอันนี้ถึงจะเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งพระพุทธเจ้าท่านพยายามสั่งสอนพวกเราทุกคนท่านพยายามชี้ให้เห็นว่า โรคธรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นได้ราบหรือว่าเสื่อมราบได้ยศเสื่อมยศ น, น, นินทาสนเสริญหรือว่าสุขทุกข์สิ่งต่างๆเ่านี้มันเป็นของคู่โรคนะเราไม่สามารถปฏิเสธได้คนทุกคนต้องเจอไม่ว่าจะอยู่ในวัดไม่ว่าจะอยู่นอกวัดจะอยู่ที่ไหนๆก็หนีไม่พ้นโรคธรรมทั้งแปดประการนี้แต่ การปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราต้องการจะหนีโรคธรรมต่างๆเหล่า น, นี้แต่เราจะอยู่กับโรคนี้น ะ, ะเผชิญกับโรคธรรมต่างๆเหล่า น, นี้ด้วยการมีสติแล้วก็มีธรรมะเพราะว่าถ้าเรามีสตินะเรามีธรรมะประจําใจมันจะเป็นยาที่ช่วยรักษาบรรเทาพอเราเจอความพัดภาคสูญเสียพอเราเจอความทุกข์พอเราเจอการสิ่งที่ไม่ชอบใจเช่นนินทาก็ดี เราจะสามารถอยู่กับโรคใบนี้ได้อย่างผู้ที่ไม่ทุกข์นะแม้จะมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในทางที่ไม่ดีนะท่่เราดีกเลี้ยงไม่ได้แน่นอนนะเราก็จะอยู่กับมันได้อย่างไม่ทุกข์หรือแม้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในทางที่ดีนะจะเป็นการได้ราบการได้ยศหรือว่าการมีอะไรต่างๆมากมายในชีวิตนะมันก็จะอยู่อย่างผู้ที่ไม่ติดกับสิ่งต่างๆเ่านั้นนะถ้าเราไปติดกับสิ่งที่ดีก็ตาม ติดกับสิ่งที่ไม่ดีก็ตามมันก็พลอยทำให้เราติดกับโรคนี้อยู่วันยังค่ำไม่อยากที่จะละโรคใบนี้นะไม่อยากที่จะละสังขารตอนนี้นะโรคอาจจะไม่้หมายถึงที่เป็นดาวเคราะดวงนี้เท่านั้นแต่โรคในความหมายในทางพุทธศาสนาคือกายและใจของเราเนี่แหละเราไม่อยากจะละจากกายจากใจนี้มีความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้ ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานะว่าใจว่ากายนี้ใจนี้มันสุขกายนี้ใจนี้มันทุกข์ไม่มีความเห็นถูกต้อง ว, ว่ากายและใจนี้มันไม่ใช่ตัวตนของเราเลยน ะ, นะอันนี้คือการที่เรายึดมั่นถือมั่นในโลกใบนี้เนาะก็คือการที่เรายึดมั่นถือมั่นในกายและใจของเราเนี่ยแหละการปฏิบัติธรรมก็คือการที่เราฝึกให้มีสติรู้เท่าทันว่ากายและใจนี้มันก็ไม่ใช่ของเรา มันเป็นเพียงแค่สภาวะอาการที่มันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นกายก็ประกอบด้วยธาตุสีดินน้ำลมไฟประกอบกันมาเป็นรูปนี้เท่านั้นการที่เรามีสติในการเห็นรูปในการเคลื่อนไหวในการเดินจงกรมในการหายใจในการทําอะไรก็แล้วแต่นะมันไม่ใช่เห็นเพียงแค่มือไม่ใช่เห็นเพียงแค่เท้ารูปในที่นี้ไม่ใช่อวัยว ะ, ะที่แยก เป็นอวัยวะต่างๆแต่รู ป, รปที่เราฝึก <จะ S 1> ให้เห็นให้เห็นว่ารู ป, รปที่เป็นธาตุทั้งสี่นะที่เราได้สวดมนมมต์ทำวัดเมื่อกี้เนาะประกอบด้วยธาตุทั้งสี่ต่างๆเท่านั้นนะประกอบกันมาเป็นความเรียกว่าสกปกติดสัมผัสกับอะไรต่างๆก็กลายเป็นของที่น่าเกลียดไม่น่าดูไปทั้งนั้นแต่เรามีความสัมพันธ์ผิดว่ารูปเป็นของที่สวยเป็นของที่งาม เราก็ไปยำปนเปรื่รูปใบนี้นะการมีสติเพื่อให้เห็นรูปนะในเทิงสติประทานสี่เนี่ยมันเราเห็นกายเคลื่อนไหวไปมาเพื่อให้เข้าใจความจริงว่ากายนี้มันเป็นของไม่เที่ยงมันมีความทุกข์อยู่ในรูปของมันอยู่แล้วก็มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรานะนี่คือจุดหมายในการปฏิบัตินะเราไม่ใช่ปฏิบัติเพียงเพื่อจบแค่นี้ แต่เราปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของรูปนี้ว่ามันมีกฎของไตรลักษณ์ที่มันต้องเกีย่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยู่นะอย่างในหลักสูตรสติปัฏฐานสีนั่นก็บอกว่ากายเรามีสติเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำถอนความพอใจและความไม่พอใจในรูปนี้ออกเสียได้นะมีสติเห็นเวทนาในเวทนาอยู่เป็นประจำถอนความพอใจละความไม่พอใจ ในโลกไปนี้ออกเสียได้เห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำถอนความพอใจและความไม่พอใจในจิตนี้ออกในโลกนี้ออกเสียได้เห็นธรรมในธรรมอยู่เป็นประจำถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกไปนี้ออกเสียได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องสติปัฏฐานนะตัดเรื่องการมีสติสัมมาสตินี่ชัดเจนเลยนะ เรามีสติในการเห็นกายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีอันนี้คือเหตุในการปฏิบัติอ่าคือเหตุที่เราปฏิบัติผลก็คือว่าเราสามารถถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกได้หรือเปล่าถ้าเรายังถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แสดงว่าผลในการปฏิบัติมันก็ยังไม่เกิดนะแต่ถ้าเราถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แต่ว่าเราก็ได้ผลในการปฏิบัติบ้ า, า, า, าใใกออกง หรือบางครั้งในการปฏิบัติภาสนามจริงๆเนอะบางทีเราก็ยังมีความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นเป็นบางครั้งบางคราวแล้วก็ไปหลงไปยึดมั่นถือมั่นความพอใจนั้นความไม่พอใจนั้นยึดมั่นในรูปว่าเป็นของเรายึดมั่นว่านามหรือว่าเรื่องจิตใจว่าเป็นของเราแต่สตินะมันก็เป็นธรรมชาติซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมคู่ปรับของความยึดมั่นถือมั่น เมื่อเรามีสติความรู้สึกตัวเมื however, oh ่อไรความยึดมั่นถือมาตอนนั้นก็หายไปทันทีเห็นสักแต่ว่ารูปมันเกิดขึ้นนะเป็นเพียงแค่อาการของรูปเห็นเพียงสักแต่ว่าน้ำที่เกิดขึ้นเป็นเพียงแค่อาการของจิตเท่านั้นไม่มีตัวเราไปยึดมั่นในรูปไม่มีตัวเราไปยึดมั่นในน้ำนั้นถ้าเราสังเกตนะเราเห็นกายที่เคลื่อนไหวแต่จิตที่มีสติมันจะเป็นเพียงแค่ผู้ดูอยู่ต่างหาก ไม่มีเราเข้าไปอยู่ในกายนั้นนะมีการแยกรูปมีการแยกนามรูปก็เคลื่อนไหวของเขาไ ป, ไปก็เปลี่ยนแปลงของเขาไปนะตามสภาวะอาการของรูปที่ดำรงอยู่แบบนั้นแต่นามที่เป็นสติที่มีผู้รู้อยู่นะมันไม่เป็นอะไรกับรูปใบนั้นมันแค่สัมพันธ์กันในเชิงที่เกี่ยวข้องกันเท่านั้นแต่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราเข้าไปอยู่ในรูปใบนั้นเนี่ยการมีสติมันจะเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ ชัดเจนมากขึ้นแยกแยะได้ว่าเรื่องของรูปก็เป็นเรื่องของรูปเรื่องของนามก็เป็นเรื่องของนามดังนั้นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับรูปนะจะเป็นความสุขความทุกข์ความปวความเมื่อยอะไรต่างๆความเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับรูปเราจะมีปัญญาปัญญาที่จะไม่ทุกข์กับเรื่องของรูปถ้ารูปมันเป็นโรคเป็นภัยเจ็บไข้ได้ป่วยแก่เท่าหรือกระทั่งสุดท้ายตายไป มันก็มีปัญญาในการยอมรับความจริงว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของรูปอ่ไม่เพิ่งจะเป็นรูปที่เราดำรงอยู่ก็ดีรูกคนอื่นก็ดีก็มีธรรมชาติเช่นเดียวกันปัญญาตัวนี้แหละจะช่วยให้เราไม่ทุกข์นะปัญญาที่เราเห็นความจริงที่จิตมันยอมรับความจริงได้ว่าธรรมชาติของรูปมันเป็นแบบนี้นะความจริงตัวนี้แหละนทําให้ไม่ทุกข์ความจริงตัวนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านคนพบนะ ความจริงที่เกิดขึ้นกับรูปใบนี้นะหรือความจริงที่เกิดขึ้นกับนามก็เช่นเดียวกันก็คือเรื่องของจิตใจจิตใจเราปฏิบัติธรรมไปเราเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตมากมายสารพัดเนาะเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากความคิดมากจากความสงสัยจากความหลงใจต่างๆมากมายนั่นก็เปลี่ยนเพียงแค่อาการของจิตแต่ถ้าเราสังเกตดีๆเนาะจิต มันสแสดงอาการไรเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่ในกฎของความไม่เที่ยงเหมือนกันไม่มีความโกรธข้ามวันข้ามคืนนะมีแต่โกรธแล้วก็ไปหลงไปอย่างอื่นแทนไม่มีใครโกรธข้ามวันข้ามคืนได้แต่อาจจะเกิดความโกรธได้บ่อยๆนะได้ทีๆเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อเราไม่รู้ทันความโกรธความไม่พอใจเราก็จะคอยไปทิ่มแทงตัวเองทุกครั้งไ ป, ไปเช่นเวลามีคนมา มาด่ามาว่ามานินทาเราเราได้ยินเรารู้มันมีความโกรธเกิดขึ้นมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะมันก็เป็นแค่ความทุกข์ในขณะนั้นเท่านั้นแต่ถ้าเราเอาคาพูดของเขามาคิดมาย้ำกับตัวเองความโกรธความไม่พอใจมันก็เกิดขึ้นย้ำคิดบ่อยๆเราก็ทุกข์บ่อยๆนะอันนี้คือเราเอาความคิดเอาคาพูดของเขามาย้ำคิดเราก็เลยเกิดเป็นความทุกข์นะ เมื่อเราทุกข์เราไม่พอใจว่าเราปฏิบัติไม่ดีบางทีเราก็ไปโกรธตัวเองอีกโกรธตัวเองที่ปฏิบัติไม่ดีโกรธตัวเองที่หลงไปโกรธตัวเองที่ขาดสติไปเห็นไหมบางทีสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราขาดสติเรารู้ไม่เท่าทันเราก็เอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นเอาคําพูดของเขามาย้ํามาแทงจิตใจให้ทุกข์หรือเอาผลของการปฏิบัติของตัวเอง มาย้ำมาแทงจิตใจตัวเองให้ทุกออกนะนี่คืออาการที่เรียกว่าขาดสติเนาะแต่มันก็ไม่เป็นไรนโยมนะเพราะว่าทุกครั้งที่เรารู้ว่าเราขาดสติไปนะจิตที่มันมีสติมันก็จะรู้ต่นนั้นว่าโอ้ขาดสติไปแล้วเนาะพยายามกลับมาให้ได้เยอะๆนะการฝึกสติไม่ใช่ว่าฝึกเพื่อไม่ให้มันไม่หลงตลอดเวลาในธรรมชาติของการฝึกมันยังไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะ มันก็มีความหลงไปเป็นธรรมดาแต่ขณะที่เราหลงไปเราพยายามกลับมามีสติให้ได้บ่อยๆนะการมีสตินี้ก็คือไม่ใช่ตั้งประคองจิตไว้ไม่ให้ไม่มีความหลงแต่เราพยายามสร้างตัวรู้ให้มันมากขึ้นเรื่อยๆนะให้มันทีทีให้มันต่อเนื่องให้มันบ่อยๆเนาะสติที่มันทีสมสติที่มันต่อเนื่องหรือสติที่มันเกิดขึ้นได้บ่อยนี่แหละเราสร้างตัวนี้ให้บ่อยๆนะ สตินะโดยธรรมชาติมันก็มีของมันอยู่แต่สติที่เราพยายามที่จะสร้างขึ้นมาจากเอียรยาบทจากกรรมฐานเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวเด้งเป็นตัวทําให้มันงอกงามมากขึ้นเหมือนกับต้นไม้อโยมนะต้นไม้โดยธรรมชาติมันก็มีแดดมีน้ํามีปุ๋ยของมันตามธรรมชาติอยู่นะแต่ถ้าเราเพิ่มปุ๋ยเพิ่มน้ําเพิ่ม การพวนดินนะต้นไม้มันก็จะสวยมันก็จะงามมากขึ้นสติโดยธรรมชาติถ้าเจะฝึกในชีวิตประจําวันถ้าเราจับหลักได้เราก็สามารถฝึกได้นะแต่การที่เรามีสตินะในการฝึกในรูปแบบเสริมไปด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ต้นสติของเราอกงามมากขึ้นไปด้วยนะการปฏิบัติธรรมเนาะเราใส่ การกระทาทั้งในรูปแบบนะที่เราฝึกยกมือสร้างจังหวะก็ดีพยายามรู้สึกตัวนะบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆจะยืนเดินนั่งนอนจะยกมือสร้างจังหวะนะให้มีสติในการเห็นบนเท่านั้นนะไม่เข้าไปเป็นในการยกมือเราไม่ส่งใจไปอยู่ที่มือแต่ใจอยู่ต่างหากใจรู้อยู่ที่การเคลื่อนไหวเห็นกำลังนั่งยกมือสร้างจังหวะ ไม่ใช่เห็นเพียงแค่มือที่เคลื่อนไหวไปมาเท่านั้นเห็นรูปตัวนี้กําลังนั่งในการยกมือนะแต่บางทีอาจจะไม่ต้องไปพูดว่าเป็นยกมือก็ได้เห็นเพียงแค่รูปมันแสดงอาการเคลื่อนไหวเห็นเพียงแค่รูปมันแสดงอาการไม่เคลื่อนไหวในแต่ละขณะแต่ละขณะเป็นฉากเป็นฉากของมันไปแบบนี้เนาะคือการที่เราเห็นรูปที่มันเคลื่อนไหวที่มันเปลี่ยนแปลงไป นามธรรมก็เกิดขึ้นก็เช่นเดียวกันการฝึกแบบหลงวัตเทียนนะบางทีเราไม่ได้เห็นเพียงแค่รูปที่เคลื่อนไหวนะเมื่อเราเห็นกายเคลื่อนไหวเราก็จะเห็นใจที่คิดนึกปรุงแต่งเช่นเดียวกันใจที่มันคิดนึกปรุงแต่งที่มันรู้สึกอะไรต่างๆได้นะพอมันเกิดขึ้นมามันขอเข้ามาแทรกเข้ามาเด่นเข้ามาบังรูปที่มันเคลื่อนไหวใดะโยมนะไม่ยมจะยกมือสร้างจังหวะไม่ยมจะมีการเคลื่อนไหวอะไรอยู่ แต่พอบางทีอาการของจิตมันแสดงอาการเด่นขึ้นมานะแต่มันก็ขึ้นมาแทรกมาบังนะทำให้เราก็เห็นนะอยอตัวรักคิดมันเกิดขึ้นมันแทรกเข้ามาเนาะคล้ายๆเหมือนกับเรานั่งดูโทรทัศน์อ่ะนั่งดูโทรทัศน์หน้าจอทีวีดีๆเนาะก็มีคนเดินเข้ามาแทรกแล้วก็เห็นนะเข้ามาเข้ามาแทรกเข้ามาบังจอโทรทัศน์เราก็เห็นตรงนั้นแหละนะจิตอาการของจิตก็เช่นเดียวกันเนาะ อาการของจิตแต่มันก็เกิดความรักคิดเกิดขึ้นเกิดความหลงไปต่างๆนานาเกิดขึ้นแล้วก็มีสติคอยรู้ทบทันว่าอ้อจิตมันหลงจิตมันคิดไปก็แค่นั้นนะแต่หน้าที่ของเราก็คือว่าเราไม่หลงไปกับความคิดไม่หลงไปกับอาการที่เกิดขึ้นกับจิตมีหน้าที่เพียงแค่รู้ทบทันว่ามันเผยไปคิดแล้วเท่านั้นแค่นี้แหละคือหลักในการปฏิบัติธรรมเนาะไม่ต้องไปรู้ก็ได้ว่ามันไปคิดเรื่องอะไรดีไม่ดีอย่างไร นะไม่ต้องไปสนใจรักในการปฏิบัติเพียงแค่รู้ทันว่าจิตมันเผยไปคิดแล้วเท่านั้นนะเมื่อรู้เท่าทันว่าจิตมันเผยไปคิดนะจิตมันจะไปคิดต่อไม่ได้เลยนะมันมันเรียกว่ามันเรียกว่ามันเป็นหมันทันทีเลยนะอาการของความคิดตรงนั้นพอเรารู้เท่าทันนะมันเป็นหมันมันไม่สามารถต่อเชื้อได้เลยนะมันหยุดลงทันทีเมื่ออาการของจิตตอนนั้นมันหยุดลงทันทีมันเปลี่ยน มันเปลี่ยนแปลงเป็นอาการปกติของจิตจิตจป็นกะจิตที่เคยปรุงแต่งก็กลายเป็นจิตที่ไม่ปรุงแต่งกลายเป็นจิตที่ปกติเราสามารถสัมผัสได้เลยว่าเมื่อเรามีสติจะเห็นว่าจิตที่เป็นปกติมันเป็นเช่นอะไรจิตที่เป็นปกติมันมีความเบามีความสบายมีความอิสระนะเรียกว่าเป็นความเป็นปกติของจิตนะมันเป็นความสุขน้อยที่เกิดขึ้นนะ เป็นปัญญาในการที่เห็นว่าอ๋อธรรมชาติที่แท้จริงที่มันไม่ปรุงแต่งมันเป็นแบบนี้ในเองเราสามารถสัมผัสได้เลยว่าอ๋อนิพพานนะที่พระเจ้าท่านบอกมันเป็นแบบนี้ในเองนะเป็นนิพพานที่เรียกว่านิพพานชิมรองนิพพานในน้อยที่เราสามารถสัมผัสได้ทุกขณะไม่จําเป็นต้องไปรอนิพพานในเรื่องของเป็นพระอราหันต์เท่านั้นนิพพานที่เราสามารถสัมผัสได้ในสภาวะที่เป็นจิตปกติธรรมดา บุตรชนธรรมดาก็สามารถสัมผ e so ัสได้เช่นเดียวกันนะโยมนะะมันเป็นความจริงซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตอยู่แล้วเพราะว่าจิตของคนเราเนาะจิตเดิมแท้ของคนเราทุกคนประพสอนผ่องใสเป็นปกติอยู่แล้วเพียงแต่ความหลงนะหรือว่ากิเลสเขาจรมาชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเรารู้เท่าทันความหลงรู้ทันกิเลสที่เขาจรเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวเนาะความหลงมันก็ตกไปความหลงมันก็หายไป เหมือนคล้ายๆเราถือของอยู่ในมือนะนะพอเราปล่อยของนั้นทิ้งพอเราวางของนั้นทิ้งมือเราก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรธรรมชาติของจิตก็เช่นเดียวกันธรรมชาติของจิตก็ว่างเปล่าเป็นปกติอยู่เช่นนั้นเมื่อเราวางกิเลสวางความหลงที่มันเกิดขึ้นกับจิตจิตมันก็ว่างเปล่าแบบนั้นจะเป็นปกตินี่แหละการมีสติจะช่วยให้เราเห็นว่าธรรมชาติเดิมแท้ของจิตมันเป็นเช่นไร ธรรมชาติของจิตเดิมแท้มันผูาพสอนผ่องใสมันเป็นปกติมันไม่เกี่ยวข้องมันไม่เรียกว่ามันไม่สัมพันธ์กับกิเลสเลยนะกิเลสก็เป็นผลของกิเลสนะกิเลสเกิดขึ้นแน่นอนมันอาศัยจิตในการเกิดขึ้นกิเลสไม่เกิดขึ้นที่กายนะกิเลสไม่ได้เกิดขึ้นที่กายกิเลสเกิดขึ้นที่จิตดังนั้นการปฏิบัติธรรมจะเป็นรูปแบบไหนวิธีไหนก็แล้วแต่ก็ต้องมีสติเข้ามาดูจิตด้วยเช่นเดียวกัน เพราะว่าจิตมันเป็นสิ่งที่ที่ตั้งที่เกิดขึ้นของกิเลสธรรมชาติของหลายคนที่มีความหลงมันก็ต้องเกิดกิเลสเกิดขึ้นแต่พอเรามีสติรู้เท่าทันกิเลสที่เกิดขึ้นที่จิตกิเลสก็เกิดขึ้นได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นหลังจากที่สติรู้เท่าทันกิเลสมันก็ดับไปตกไปหายไปแล้วถ้าเราเห็นอาการที่มันเกิดขึ้นกับจิตหรือเห็นกิเลสที่มันเกิดขึ้นกับจิตได้บ่อยๆ เราจะมีเรียกว่าความชํานาญมีประสบการณ์รู้รู้ทางนะรู้ทางกิเลสรู้เท่าทันกิเลสได้เร็วนะพอกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทางมันแล้วก็ดับมันไปได้เร็วนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันไม่รู้ทางมันเนาะมันก็จะมานอนเนื่องในจิตนี้อยู่เป็นประจำาปมาชักจูงให้หลงให้ปรุงแต่งไปสารพัดต่างๆนานาคิดเรื่องนี้จับแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อนะสนุกในการคิด สนุกในการตงแต่งหรือบางคนก็สนุกที่จะจมกับความทุกข์นะรู้ว่าถ้าอินกับเรื่องนี้ถ้าคิดกับเรื่องนี้มันทุกข์ก็อย่าไปอินกับมันไปสนุกกับมันหรือไม่แต่เรื่องสุขก็ดีนะถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเราก็จะไปจมกับความสุขไปอินกับความสุขความสงบความสบายก็เช่นเดียวกันนะเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อเอาความสงบเพื่อเอาความสบาย แต่ถ้าความสงบความสบายความสุขเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็เพียงแค่รู้สึกตัวรู้ว่าตอนนี้มันสงบรู้ว่าตอนนี้มันสุขรู้ว่าตอนนี้มันสบายแต่ไม่เข้าไปเอาอาการต่างๆเ่านั้นไปเป็นตัวเป็นตนของเราเนาะไม่ติดทั้งฝ่ายบวกไม่ติดทั้งฝ่ายลบหรือไม่ติดทั้งฝ่ายที่เป็นกลางก็เหมือนกันมีสติเพียงแค่เห็นเพียงแค่รู้อาการต่างๆที่มันเกิดขึ้น ก, กายกับจิตนี้เท่านั้นนี่แหละถ้าเราปฏิบัติทำแบบนี้นะก็รองไม่หลงทิศผิดทางจากคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนนะเมื่อเราปฏิบัติไม่หลงทิศผิดทางแล้ ว, ลวก็ไม่ต้องดังเลยสงสัยหน้าที่ของเราเพียงแค่พยายามทำเยอะๆพยายามทรมากๆทําทั้งในอิยาบทรูปแบบและทําทั้งอิยาบทย่อยด้วยนะหน้าที่ของเราทําแค่นี้อะโยมนะเหมือนกับโยมตั้งใจที่จะมาวัดป่าสุกโต มาจากกรุงเทพมาจากสมุทรสาครมาจากโคราชมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเรากําหนดทิศทางกําหนดเส้นทางในการเดินทางชัดเจนนะถ้าเราขับรถมาถูกทางนั่งรถมาถูกมาถูกคนะรับรองตุกตเตอรไม่หนีไปไหนนิพพานด้วยความพ้นทุกข์ก็ไม่หนีไปไหนนะถ้าเราเดินในเส้นทางสถิติฐานสี่ถูกต้องชัดเจนนะไม่หนีไปไหนเพียงแต่ว่า บางครั้งอาจจะยังไม่ถึงปลายทางแต่ทุกครั้งที่เรามีสติทุกครั้งที่เรารู้สึกตัวทุกครั้งที่เรากำลังทำความเพียรอยู่เราเข้าใกล้จุดหมายปลายทางอยู่ทุกขณะนะเหมือนกับเราขับรถเราก็เข้าใกล้สกตอยู่ทุกขณะนะอาจจะนานทัดเท่าไหรก็ไม่เป็นไรหรอกรถอาจจะติดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราไม่ตกถนนอย่างน้อยเราไม่ออกนอกทางเนาะถ้าเราไม่ถึงแหละนะแต่ก่อนอาจจะเคย ขับแค่หกชั่วโมงมาถึงวัดวัดเทศกาลรถติดอาจจะขับสักครึ่งวันถึงวัดมันก็จะถึงวัดอยู่เช่นเดียวกันเนาะอย่างนั้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับครูบาอาจารย์เปรียบเทียบกับเพื่อนทําไมคนนั้นปฏิวัติธรรมแล้วรู้เร็วกว่าเรานะนะถ้าเราไปคิดแบบนั้นเราก็จะทุกข์คนนั้นรู้เร็วคนนี้รู้มากคนนี้รู้น้อยอะไรต่างๆ่างวันั้นไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตน อย่าเอาคนอื่นมาเป็นตัวเปรียบเทียบจัาคนอื่นมาเป็นมาตรฐานในการวัดตัวเองแล้วก็มาย้ำเพิมความทุกข์ให้กับตัวเรามันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของเราเองนะเราทำความเพียรของเราเองนั่แหละผลในการปฏิบัติมันก็เกิดขึ้นกับเราเองไม่ต้องไปเปรียบเทียบว่าเมื่อใ่จะได้เมื่อใ่จะไม่ได้เนาะก็ทำไปเรื่อยๆอาศัยว่าให้มีความเพียรให่มีความพอใจในการปฏิบัติ มีความพอใจในการที่จะละกิเลสด้วยตัวของเราเองนั่แหละไม่ใช่หวังนะไม่ใช่หวังจะได้อะไรเอเพียงแค่รู้สึกตัวแค่นี้เนาะเราก็เข้าถึงความไม่ทุกข์แล้วนะอย่าไปคิดว่าปลายทางนะอย่ะคิดว่าปลายทางคือนิพพานที่เป็นแตภาวะอะไรก็ไม่รู้ที่เราคิดไม่ออกแต่ที่จริงทุกครั้งที่เรารู้สึกตัว เมื่อนั้นมันมีมนมมิพพานอยู่ตรงนั้นนะเมื่อนั้นมันมีความไม่ทุกข์อยู่ตรงนั้นอันนั้นการปฏิบัติธรรมเพื่อความไม่ทุกข์เราสามารถสัมผัสกับความไม่ทุกข์ได้ทุกขณะนะไม่ต้องไปรอชาติหน้าไม่ต้องไปรอตอนไหนผัมผัสได้ทุกครั้งที่เราดูสุดตัวนั่นแหละคือความไม่ทุกข์แล้วเนาะพยายามสัมผัสตรงนี้แล้วก็เรื่องวางเรื่องความคาดหวงังอะไรต่างๆก็พยายามวางให้น้อยที่สุด แต่มันวางไม่ได้นะก็แค่รู้เท่าทันว่าอ๋อมันเผลอไปมันอยากได้ผลอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้อยากรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะบางทีบางคนอ่านมากฟังมากนะก็จะไปติดนะสิ่งที่เคยอ่านสิ่งที่เคยรู้ที่ครูบาอาจารย์ว่าสภาวะอาการมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็จะไปพอปฏิบัติไปก็มักจะไปหลงเทียบเคียงนะไปหลงจินตนาการว่ามันใช่หรือเปล่า ไปสงสัยมันเนาะวางมันไปเถอะโยมเนาะมันจะรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรเราจะรู้สึกตัวของเราไปก็ทําแค่นี้แหละทำไปเรื่อยนะประกอบด้วยความเพียรประกอบด้วยความพอใจไฟที่จะรู้ถ้าเรามีความเพียรมีความพอใจที่จะทำเนาะเราก็จะทําได้แบบสบายๆทําแบบไม่ฝืนนะทำแบบไม่ฝืนนะไม่ใช่ทําแค่ ถังด้านๆ่างกายเท่านัานาน้นแต่ใจเราก็ไม่ฝืนที่จะกระ ท, ทำด้วยใจมีความพอใจที่จะรู้สึกตัวไ ป, ไปนะไม่ต้องมีใครมาบังคับนะเราต้องไปบัตรทำแบบผู้ใหญ่นะเป็นผู้ที่มีการศึกษาเป็นผู้ที่เรียกว่ า, <บ>ามีฉันทะด้วยตัวของเราเองไม่มีใครสามารถบังคับเราได้ตลอดเวลานะต้องเป็นต้องเป็นใจเราที่พอใจในการกระทาเองถึงจะสามารถบอกให้สติมันเกิดขึ้นได้บ่อยก็คือว่า จะทำอะไรก็แล้วแต่นะยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดเคลื่อนไหวพูดคิดอะไรต่างๆก็ต้องประกอบด้วยสติให้มันมากที่สุดนะถ้าเรามีความพอใจที่จะทําจะอยู่ต่อหน้าคนอื่นจะอยู่รับราคนอื่นนะมันก็เป็นการกระทําเช่นเดียวกันเป็นการกระทําเป็นคําพูดเป็นความคิดที่ประกอบด้วยสตินะประกอบด้วยปัญญาทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะพอได้ยมกลับไปที่บ้านนะ ไม่ได้อยู่ที่วัดบรรยากาศไม่เอื้อแบบนี้แต่ถ้าเรามีความพอใจที่รู้สึกตัวเราอยู่ที่ไหนนะเราก็จะไม่ขาดสติไปเพื่อนชวนพูดชวนคุยในเรื่องที่ทําให้หลงสติไปเราก็ระงับความพูดระงับความคิดต่างๆ่างนั้นไปได้กิจวัตรประจำวันบางอย่างเป็นเรื่องไม่จําเป็นนะไปเดินห้างไปกินกระจุกกระจิ๊ดต่างต่าแล้วก็งงวัดวัดอ่า งดเว้นละเลิกไปได้เพราะเราเห็นว่าสิงต่างนั้นมันไม่ประกอบด้วยคุณค่าที่แท้จริงเลยนะมันเป็นเพียงแค่เรียกว่าความหลง่ความเพลินไปชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นถ้าเรามีธรรมะเข้ามาประจำจิตจิตตัวนี้แหละมันจะเป็นจิตที่มีธรรมะมาตัวนําทางให้ญาติโยมได้มีชีวิตที่ดีงามเนาะจะเป็นชีวิตที่ดีงามไม่ใช่เพียงแค่ชีวิตพรหมจันทร์ของพระของแม่ชีเท่านั้น แต่พวกเราทุกคนสามารถจะมีชีวิตที่ดีงามมีชีวิตที่เป็นพรหมจรรย์ได้พรหมจรรย์ที่แท้จริงคือจิตที่มีธรรมะจิตที่เป็นพุทธะนะถึงจะเป็นชีวิตที่เป็นพรหมจรรย์ให้ญาติโยมทุกคนให้ทุกคนน่แหละทั้งพระทั้งแม่ชีทั้งญาติโยมอ่ทุกคนแหละให้ได้มีชีวิตที่ดีงามเนาะชีวิตที่ดีงามคือชีวิตที่มีธรรมะชีวิตที่มีพุทธะประจําจิตโดยการที่เราฝึกสติบ่อย เราจะสามารถสัมผัสชีวิตที่ดีงามในทุกขณะทั้งในขนาดนี้แล้วก็จนถึทั้งถึงจุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกโดยทิ้นเชิงเนาะก็คือมรรคผลนิพพานขอให้พวกเราทุกคนได้เป็นเพื่อนร่วมเดินทางเนาะไปสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันนะก็ขอเจริญธรรมทุกคน